จะมีในท่านผู้ฟังเท่าไรแต่รมพระพุทยานได้แวะมาพูดเรื่องงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาซึ่งจะเริ่มขึ้นณปริมณฑลท้องสนามหลวงในวันที่สองพฤษภา ค, คมจนถึงวันที่เจดพฤษภา ค, คม แต่ตามปกติมันก็ควรจะเป็นเจ็ดวันเพราะเราเรียกว่าสัปดาห์แต่ประดเดี๋ยววันที่หนึ่งเป็นวันกรรมกรที่เรียกว่าเมเดย์เรปล่อยให้ฝ่ายกรรมก ร, รมเขาจัด ก, กิจกรรมเราก็ตึงจึงต้องลดลงวันหนึ่งในขณะเดียวกันกรมการศาสนาก็ได้จัดขึ้นที่พุทธมณฑล เริ่มจาวันที่สี่ไปจบลงที่วันที่แปดกิจกรรมในแต่ละวันนั้นคงจะนำมาเผยแพร่ ก, กันในโอกาสต่อไปในรายการแต่ระบพวิทยา น, นั้นก็จะพูดไปจนถึงวันที่หนึ่งพอในช่วงรายการก็จะมาตักจาก2สองทุ่มถึง สามทุ่มสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มก็จะมีการถ่ายทอดกิจกรรมที่ปริมณนล ท, นท้องสนามหลงโดยจะทำหนังสือขอจากท่านผู้บญชจการกองพลที่หนึ่งพลตรีไปสารกะตันอยู่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบชื่อคุณรุชรา พราะงนั้นในช่วงตรงนั้นเนะี่ยเรื่องโคงจะเปลี่ยนไปตามัวข้อที่มีการแสดงกันที่ปริบุญฑรท้องสนามหลวงซึ่งเริ่มตั้งประมาณทุ่มหนึ่งนะก็จะมีการเทศการปาตกรถาการบรรยายธรรมมาตามลำดับแต่ในช่วงกลางคืนเนี่ยจะมีการบรรยายธรรม ในขณะเดียวกันในเต้นบางเต้นก็จะมีกิจกรรมอย่างอื่น่งการถ่ายทอดนั้นก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ก็จะตกลงประสานงานกันเหมือนก่อนในมาได้ประลบถึงพระพุทธปฏิธานของพระพุทธเจ้าที่จะต้องมีการศึกษามีการสืบสารกันไปอย่างต่อเนื่องเราทรงตั้งไว้เพื่อจะให้การศึกษาแก่พุทธบริษัท ซึ่งสรุปรวมแล้วก็คือการศึกษาหลักธรรมทั้งหลายที่เรียกในตอนหลังว่าพระปริยัติสัจธรรมประการที่สองก็คือให้พุทธบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักของพระสัจธรรมหัวข้อในการปฏิบัตินั้นก็เรียงลดหลั่นกันขึ้นไปในแนวของวินัยก็มีทั้งกิหิวินยัยคือวินัยของผู้ครองเรือนแล้วก็ ภิคุวินัยพิกุณีวินัยวินัยของพระภิกษุของพระภิกษุณีตลอดถึงพวกนัก บ, บวชประเภทสามเณรสามเ น, นรีหนังสิขามานาวินัยนั้นก็เป็นบทบัญญัติที่กำหนดกันไว้เพื่อให้ประพฤติปฏิบัติและก็พัฒนาจิตสำนึกของตนเองสูงขึ้นไปโดยลำดำับพอถึงจุดหนึ่งก็จะกลายเป็นเรื่อ ง, องธรรมะ ประการที่สามเนี่ยที่จริงก็คือเมื่อปฏิบัติเมื่อศึกษาเมื่อปฏิบัติเนี่ยย่อมได้รับการสัผัสผลมีประเด็นที่น่าสังเกตแล้วพณนทบทวนน่าจะหนักไว้เสมอวันก่อนได้พบนายทหารระดับพันเอกมาจากเชียงใหม่เขาตั้งชมรมศึกษาพระไตรปิฎกและรวบรวมเรียบเรียงหนังสือขึ้นมาเผยแพร่ ก, กัน ก็นำหมายสวดแต่ยังไม่ได้ตรวจเพราะว่าสราว่ามีครูบาอาจารย์หลายท่านที่สวดแตแล้วพอได้ยินชื่อแล้วก็ไม่ต้องสวดก็ได้ก็เป็นที่น่ายินดีนะฮะว่าเราได้หันกลับมาสู่หลักการที่ถูกต้องประเวณีปัญหาที่น่าห่วงก็คือมีการพูดการเผยแผ่ไปโดยอัตโนมัติเนี่ยก็มีอยู่แม้จะไม่มากนักก็าตาม กตถ้าเราสนัดว่าพระปริยติสัทธรรมในพระบาลีใ่บิดดกประสุตันต์นตลอดถึงพระวินัยบิดกพระิธรรมบิดดกเนี่ยมันเป็นปฏิเวทสัทธรรมโดยสถานะออกจากพระโอษของพระพุทธเจ้าแต่เมื่อเข้าหูผู้ฟังเนี่ยมันก็สมภหูผู้ฟังแล้วก็เป็นปริยัติแต่เวลาทานั้นเป็นปฏิเวท ตอนเวลาเราศึกษาเนี่ยมันก็กลายเป็นวงกลมตำนองคล้ายๆขีดวงกลมคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปฏิเวทกับปริยัติเนี่ยมันเป็นลงกันคือหมายความว่าตัวปริยัติที่เราเรียนไว้เนี่ยท่านแสดงไว้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นธรรมะระดับกรรมฐานทรงแสดงไว้ว่าเมื่อบุคคลบำเพ็ญสมาธิ ได้บรรลุฌานตั้แต่ปฐมฌานขึ้นไปเนี่ยใจก็สงบจากนิวรณ์ทั้งห้าประการแต่ก็ท่านเรียงเป็นรูปองค์ฌานหมายความว่าองค์ฌานที่เป็นกุศลละธรรมแต่ละข้อเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในใจของผู้ที่เจริญฌานเจริญสมาธิมาถูกต้องคือวิตรกมันจะต้องทำหน้าที่สงบนิวรณ์ได้ คนที่ได้บรรลุฌานเนี่ยต้องไม่มีตีนมิทานิวรณคือไม่มีความง่วงเหงาหาวนอนแล้วก็ตื่นอยู่ได้ตลอดทั้งตั้งคืน น, นะฮะก็แล้วแต่ท่านจะบำเพ็ญ น, นานขนาดไหนแล้วเกิดวิญญาณก็ไปไปส ง, งบความเคลือบแคลงสงสัยเพราะการในบัติที่ถูกต้องก็คือตัวผลนั้นจะ ออกมาในรูปของการไม่เครือบแคลงสงสัยในคุณของประลักตะนไกรเป็นต้นและประการที่สามก็คือมันมีปิติปิติพอเกิดเด่กจิตมันจะไม่มีพยาบาทเพราะเป็นธรรมะทีต่ตรงกันข้ามพยาบาทนั้นเป็นอกุศลปิติเป็นกุศลเพราะนั้นปิติเมื่อเกิดมันก็ต้องไม่มีพยาบาทแล้วพอสุขเกิดเนี่ยจะต้องไม่มีความรําคาญห ง, งุดหงิดฟุ้งซ่านทั้งหลาย แล้วก็ตัวสมาธิจริงๆคือตัวเอกะกะตาคือจิตซึ่งรวมเข้าเป็นอันหนึ่งเนี่ยจะทำหน้าที่สงบตัวกามชันทะคือจิตเนี่ยวนึกตึกนึกด้วยอำนาจความใคร่ในอารมณ์ในวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่ทีนี้ถ้าพวกนี้ไม่สงบเนี่ยก็แสดงว่าไม่ใช่สมาธิเพระนี้จะมีได้เพียงอย่างเดียว หมายความว่าถ้ามีวิตรวิจารณ์ปีดีสุกเอกะกะตาที่เป็นกุศลพวกนิบอนนะฮะประการก็ไม่มีแต่ถ้าใจยังมีนิบอนนะฮะประการอยู่ก็แสดงว่าพวกนี้ก็จะไม่เกิดมันปรากฏได้อย่างเดียวคล้ายๆกับในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันนั้นไม่ใช่ทั้งมืดทั้งสว่างจุดใดที่แสงสว่างปรากฏในจุดนั้นก็ไม่มีความมืดจุดใดมีความมืดจุดนั้นก็ไม่มีแสงสว่าง เมื่อการเกิดของกุศลธรรมเขาก็มีลักษณะอย่างนั้นคือจุดใดที่มีกุศลธรรมเนี่ยจุดนั้นจะต้องไม่มีอกุศลตัวนีง่ายของความเป็นจริงส่งแสดงว่ามันห่างกันเหมือนฝั่งนี้กับฝั่งโน้นของมหาสมอมันเหมือนกับ น, น้ํากับฟ้าซึ่งมันห่างไกลกันไม่มีโอกาสจะบรรจบกันลักษณะของกุศลกับอกุศลก็เป็นเช่นนั้น เพราะเมื่อคนปฏิบัติได้สัมผัสผลแล้วก็จะรู้สึกสุขสงบเยือกเย็นแม้จะมีอารมณ์มากระตุ้นให้เกิดความกับหนักความเพลิดเพลิพนชื่นชมยินดีในอารมณ์เหล่านั้นจิตใจก็จะไม่กับหนักเพลิดเพลิพนชื่นชมยินดีไปตามแรงผลักดันของกิเลสเหล่านั้นแล้วก็จะรู้สึกว่ามัน ทำนองคล้ายๆกับเรารับประทานอาหารที่อร่อยเนะี่ยเมื่อเราได้อร่อยแล้วก็อยากให้คนอื่นก็อร่อยด้ย่ยจึงเกิดเมตตากรุณาคือหวังดีต่อคนอื่นก็นำธรรมะไปเผยแผ่ไปสั่งสอนแล้วการสั่งสอนนั้นจะต้องแสดงให้เห็นถึงว่าเราทำด้วยปัญญาด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความเมตตากรุณาเป็นที่ตั้ง ไม่ใช่ทำงานบนพื้นฐานของความโลภต้องการผลประโยชน์แบบเอาธรรมะเป็นสินค้าไปขายธรรมะกันนั่นก็คือสอแสดงเป็นรูปของคุณสมบัติของผู้กล่าวทรรมเรียกว่าธรรมะกระถึกนี่ผู้กล่าวทรรมหรือผู้สอนธรรมผู้แสดงธรรมก็แล้วแต่จะเรียกมาเดึงต้องแสดงธรรมไปโดยลำดับไม่ตัดรัฐการความ ตัวนี้เป็นการพิสูจน์ยืนยันเรงความรอบรู้ในสัจธรรมเรานั้นเรียงลําดับจากง่ายไปหายากจากใกล้ไปหาไกลจากรูปประธรรมไปหานมามธรรมจากพื้นไปหาลึกจากสิ่งที่เขาเข้าใจอยู่แล้วไปหาสิ่งที่เขายังไม่เข้าใจเป็นรูปของการไต่บันดไดเป็นรูปของการเหมือนกับเราเดินนะฮะเราเห็นว่าแต่เราขึ้นที่สูงก็ขึ้นไปตามลําดับ ลงที่ต่ำเราก็ลงไปตามลำดับไปข้างหน้านะฮะก็ไปตามลำดับถอยหลังก็ถอยไปตามลำดับก็ไม่ใช่แบบกล้าพูดพลาดหรือโจรไปแล้วพยายามอ้างเหตุผลชี้แจงแนะนำให้ผู้ฟังเข้าใจว่าความมาแสดงอะไรสะแสดงแก่ใครสแสดงอย่างไรมีอุปมาอุปไมยข้อเทียบเคียงอย่างไร เรแสดงไปแล้วในผู้ฟังจะได้ประโยชน์อะไรผู้ฟังจะเป็นเป้าหมายในการสอนธรรมะในการแสดงธรรมะประการต่อไปก็คือตั้งจิตปรารถนาที่จะเกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังหาบายทุกอุบายวิธีต่างๆให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์ อย่างในปัจจุบันระาชบัญญัติการกระสาแห่งชาติที่พูดถึงการสอนที่มีผู้ศึกษาผู้เรียนเป็นเป้านะเป็นศูนย์รวมเนี่ยเขาพอดก็ผูดมานานแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่เรื่องพิเศษอะไรนะแต่ผู้เรียนนั้นจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องไปก่อนแล้วให้เธอคิดไปจากข้อมูลตรงนั้นไม่ใช่ไม่มีข้อมูลเลยแล้วจะให้คิดเลยมันเป็นไปไม่ได้ ไม่แสดงธรรมกระทบตนเองและกระทบบุคคลอื่นหรือไม่ยกตนข่มคนอื่นเป็นการมุ่งสร้างความเป็นมิตรทั้งไม่ปีจิตระหว่างกันอะไรกันแล้วก็ไม่ไม่มุ่งลาบสากสาระชื่อเสียงไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาบต้องการได้เงินได้ทองนะฮะคือคือไม่มองธรรมะเป็นสินค้าที่จะนำไปซื้อขายกัน นี่คือหลักการสําคัญในการแสดงธรรมเพราะงันคนที่มาทำงานในจุดตรงนี้มันต้องผ่านการศึกษาผ่านการปฏิบัติการสัมผัสผลแล้วจึงจะเกิดความคิดที่จะเผยแผ่และการเผยแผ่นั้นเราก็ไม่ใช่เผยแผ่ในฐานะเราเป็นเจ้าแห่งธรรมเราจะต้องทำตัวแค่เป็นเด็กรับใช้รับศาสนาท่านั้น เพเราจะได้ยินว่าเวลาพระท่านพูดท่านแสดงเนี่ยท่านจะอ้างพระพุทธเจ้าตลอดกุญแจทรงแสดงอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าหากว่าญาติโยมเกิดจะนับถือขึ้นมาก็ให้นับถือพระพุทธเจ้าหรือไม่ใช่ไปนับถือผู้แสดงเนี่ยแต่ไปยึดบั่นอยู่ที่คุณพระตันตราเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องที่นํามาแสดงนํามาสั่งสอนกล่าวโดยสรุปก็คือล่ายสู่รประพฤติ จะทำยังไงจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของบุคคลเหล่านั้นด้วยการละชั่วประพฤติแต่ต้องเป็นสัมนึกของเขานะเราคงไปสั่งอะไรเขาไม่ได้แบบบัญชาการอะไรไม่ได้แต่ถ้าเกิดสัมนึกเขาก็ลดละสิ่งเหล่านั้นไปแล้วก็สงเคราะห์ชาวบ้านเนี่ยยน้ําใจที่งดงามหมายความว่าทําด้วยความเคารพในธรรม ทฤทุนทำแล้วกับคนเนี่ยเราทำํำเลยไม่ตาราุณากับธรรมะเราให้ความเคารพทฤษฎีทุนผลประโยชน์นั่นมุ่งไปที่ผู้ฟังซึ่งเรากล่าวเราสอนในขณะนั้นนั้นอย่างการบรรยายธรรมะออกทางวิจิตรินที่จริงกค่อนข้างทำยากคือเราไม่รู้ว่าใครฟังแล้วจะมีคนฟังามากหรือน้อยเนี่ยเราก็ไม่รู้ ก็คล้ายๆกับเป็นการเบี่ยงแยบไปบางทีอาจจะยากไปบางทีอาจจะง่ายไปคนฟังนี่จะให้เป็นที่พอใจหมดหนึ่งเม่เป็นไปในอย่างแต่ถ้าในห้องบรรยายอบรมเนี่ยเราชัดเจนคือเราเห็นใครว่าเป็นใครเนี่ยวิธีการอธิบายนี่จะง่ายดังนั้นท่านฟังจะเห็นว่ามันก็มีตัวอย่างมีนิทางมีอุปมาข้อเทียบเคียงต่างๆาเราไม่แน่ใจในเป้าหมาย ในกลุ่มบุคคลที่ฟังอยู่ในขณะนั้นน่นอย่างพระบางองค์เนี่ยเขาวัดด้วยกา ร, ร, ราาดีใจเพราะแสดงว่าคนฟังเขามากพอเราไม่ต้องการจะดีใจไม่ไม่ต้องการจะรบกวนเขามาเลยเราก็ไม่รู้รายการที่อามาทำทางโทรทัศน์ในการรู้ธรรมนำชีวิตก็อยู่เย็นเป็นสุขที่ช่องเก้า เรามันยังจานังคารพุทธเนี่ยรู้ธรรมนำชิวิตแล้วก็เสานี่อยู่เย็นเป็นสุขพอถึงจุดหนึ่งมันการจัดการในค่าจัดการเนี่ยมันไม่มีเราก็เลยต้องบอกกล่าวญาติโยมดูซิว่าจะพอมีคนช่วยบ้างไหมลองบอกดูก็อบอกดูไปสองคราวนะคราวแรกก็ได้มาพอสมควร ก็ล้านกว่าบาทก็เห็นว่าพอต้องควรเราก็พักก็หยุดพอเงินหมดก็บอกใหม่อีกรอบหนึ่งก็เวลานี้ก็ยังบอกอยู่นะเพราะว่ายัางยังไม่ขึ้นถึงระดับข่าวก่อนมันถ้าบอกงดมันก็จะต้องบอกใหม่เร็วขึ้นแต่แก็แสดงว่ามีคนฝันไปต่างจังหวัดไปพบปะญาติโยมข้าเนี่ย ก็บอกว่าดูท่านจะควรดูถุกเช้าแต่วิทยุเนี่ยเราก็พิสูจน์พิสูจน์ยากขนะพิสูจน์ยากว่าจะมีคนฟังหรือไม่ฟังเมื่ะการแสดงการอธิบายก็พยายามที่จะให้มันครอบคลุมเพื่อมีคนฟังก็ย้ายสู่กัง่ายเกินไปหรือยากเกินไปแล้วห่างไกลจากชีวิตจริงๆ ตนแรจะพูดไต่รุบพระโพธิญาณเนี่ยั่นผู้ฟังทนสังเกตว่าตอนปลายเราจะสรุปเป็นเรื่องชีวิตทุกทีเรื่องวิชาการก็ว่าเป็นในส่วนวิชาการแต่ว่าที่จริงมันเป็นเรื่องชีวิตของคนเนี่ยไม่ได้เอามาจากไหนโดยทั้งหมดเป็นเรื่องมาชีวิตเท่านั้นทีนี้คนเราปรผ่านการศาึกษาผ่านการปฏิบัติได้สัมผัส ผ, ผลแล้วก็จนเผยแผ่เนี่ยมันจะรักหวงแหนระศาสนา ความรู้สเหล่านี้พูดยากคือคนต้องสัมผัสตรงจริงๆเราดูอดีตมาราชก็เราสองพระองค์สามพระองค์นะฮะสามก็ตั้งตั้งที่จริงก็เกือบทุกพระองค์นั่นแหละแต่ว่าที่ท่านแสดงออกไปได้ชัดเจนเนีช่นพระนในสวนมาลาชพระคุณรามกำแพงมาลาศพนารายมาลาชเนี่ยก็มาธรราชาลีไทยพระเจ้าอยู่บรมไตรโลกนาถพระเจ้าตากสินเนี่ย พระพุทยอฟ้าเนี่ยแล้วก็ทุกพระองค์ในพระบรมราชวงศ์จักรีได้แสดงถึงการยอมรับนับถือคุณค่าของาศาสนาธรรมในาศาสนาออกมาในลักษณะต่างๆแลนแสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่จะต้องพิทักษ์รักษาไว้อย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ส่งริกผลไว้ว่า อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากตนทุกยากกู้ชาติระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาสมณะประพุทธโคดมให้ดำรงคงทวน 5,000 ันปีสมณะพรามชีปฏิบัติให้พอสมสมถวิปัสนาพนิยมถวายบังคมรอยบาทพระศาสนาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่ประพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์สตราสนาฝากไ ว, ว้คู่กัน แล้วก็แสดงให้เห็นถึงมีสัมผัสตรงจากภาคสนาคือเห็นคุณค่าของหลักธรรมในทางศาสนาคุณค่าของประวัตนไตรตั้งแต่ส่งพระยาวตั้งแต่เป็นเด็กวัดเป็นสา ม, มเณรเป็นพระมาแล้วก็ปัญหาต่างๆที่ทรงประสบในไปชนอาชีพก็ทรงแก้ด้วยหลักธรรมในทางศาสนา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมาราชก็มีลักษณะอย่างนีน้คือผ่านชีวิตมาแบบเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมาราชก็ได้ทรงแสดงเป็นรูปของพระราชปณิธานว่าตั้งใจจุประถมพกยอยกิระพระศาสนาป้องกันขอบขันะสีมารักษาปร ะ, าษษะชาชนและมนตรีแต่ภา ร, รกิจในการนำศาสนาตัวหลักจริงๆรเนี่ย คือต้องมีการศึกษากับการไปบัตรก่อนถ้าไม่ไม่ผ่านกระบวนการตรงนี้แล้วเนี่ยจะสืบต่ออิปสัสศาสนาได้ยากเพราะฉะนั้นผลงานจากการกระทาของมาราศทั้งสองพระองค์มันก็ออกมาที่ปรากฏในนิราชนรินทรนะที่ท่านบอกว่าบุญเพลงพระหักสัลยศาสตร์รุ่งเรืองแห่บางอบายเบิกฟ้าฝืกฟืฟฟ้นใจเมือบางบายก็คือ ประตูทางเสือสั่งสอนให้คนงดเว้นจากบาปจากกุศลทั้งหลายเช่นว่าไม่เข้าานงดเว้นจากการละเมิดศีลทั้งห้าประการแล้วก็งดเว้นจากพวกอภาอยมุขทั้งหลายนี่บ้านเราเนี่ยถ้าเอาสองสามอย่างนี่นะไม่ต้องไปพูดมากหรอกเอาขนาดสีหน้าข้อได้ปัญหาจะลดลงไปเยอะเลย แล้วเศรษฐกิจจะดีสังคมจะดีการเมืองก็ดีความมั่นคงต่างๆก็จะเกิดขึ้นติดตามมาแต่ก็กลายเป็นการปีนบันไดสวรรค์คือมันยากยิ่งจริงๆที่จะนำไปสู่จุดหมายปลายทางตรงนั้นได้เมื่อในความสำนึกที่จะปกปักรักษาศา ส, สนาเนี่ยจึงค่อนข้างเกิดขึ้นได้ยาก อย่างในกรณีนี้ในกรณีที่ก็มีคณะกรรมการการศาสนาแล้วว่าตันทำขึ้นแล้วก็เอาศาสนิกในศาสนาอื่นมาเป็นกรรมการโดยเมื่องานจริงๆเนี่ยเป็นของพุทธไม่ว่าศาสนาศิละปะหรือ ว, วัฒนธทําก็ได้ราทำให้จาพุทธรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมแล้วก็ไม่ให้เกียรติแก่พระศาสนา วันหนังสือที่อาตมาได้เปลียงชื่อไม่ยกย่องก็ใหญ่เหยียดย่ำ เ, เป็นหนังสือที่ในชีวิตอาตมาเองมีคงคงทำไม่ได้แล้วอนะเราไม่เคยคิดเลยว่าหนังสือนี้จะรับการพิมพ์เผยแพร่เป็นแสนแล้วก็ทุกวันเนะี่ยยังเรียกร้องอยังต้องการแสดงความต้องการกันไม่ยหยือถือว่าชาตินี้ก็คงทําได้ทางนั้นนะที่ให้หนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็มีคนมาพิมพ์เองนะ มาบริจาคซับ พ, พิมพเองเป็นแสนๆแล้ออกไปเผยแพร่ในขณะที่เผยแพร่คนก็อ่านแล้วก็เป็นที่ต้องการของคนทั้งหลายเนี่ยก็นึกว่าคงทําได้เป็นเป็นเล่มแรกแล้วก็เล่มสุดท้ายต่อไปก็คงจะพิมพ์เผยแพร่ได้เป็นหมื่นจากมากก็เป็นหมื่นแต่มันมันไปที่เราพอใจเนี่ยพอใจว่าชาวพุทธตื่นตัวแล้วก็ มองเห็นภัยมองเปรตเห็นอันตรายแล้วก็มีความพร้อมที่จะปกป้องรักษาศาสนาเพราะภารกิจตัวนี้ภารกิจในการดูแลรักษาศาสนาแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นภารกิจที่สําคัญงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนานั้นที่จริงต้นเหตุที่เราประรบเนี่ยประลบเรื่องในลักษณะนี้แต่การมันผ่านมาแล้วก็เห็นว่ามันเป็นโอกาส ที่น่าจะสืบสารทํางานกันต่อไปเพื่อสารฝันคือต้องการให้เกิดอาการีะไรก็วันโกลก็ละวันพระก็เว้นเพิ่มขึ้นบ้างนะครัเพื่อจะลดปัญหาต่างๆที่ค่อนข้างมารุมมาตุ้มมากขึ้นทุกวัดให้ลดน้อยถอยลงไปบ้างต้องฟังกันไลยแต่หลวงปู่วัฏยานในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูรณาธรรม